เมื่อทาแล้วนะก็ต้องรู้จักปล่อยนะรู้จักวางไม่ได้แปลว่าเอามาคิดทบทวนไม่ได้นะได้เราก็กลับมาทบทวนเนะ่าเออมีอะไรที่ต้องแก้ไขาปรับปรุงบ้างอย่างนี้เรียกว่านะใคร่ครวนนะใคร่ครวนเป็นการย้อนกลับมาพิจารณา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 แต่ทำไมไม่วางทำไมไม่สั่ออกไปจากใจก็เพราะลืมตัวนะําก็เลยนะทําให้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ยอมจางคลายไปจากใจความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วเกิดขึ้นก็ดับไปนะไม่ว่าอารมณ์ใดแต่ว่า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 แต่ทำไมเราถึงปกป้องงมมันนักนะทำไมเราถึงแบ่งมันเอาไว้เลี้ยงมันเหมือนกับเลี้ยงไฟให้เผาจิตเผาใจอยู่เรื่อยๆนะอันนี้เพราะลืมตัวคนเราเวลาโกรธนี่ไม่รู้ตัวนะเวลาโกรธนี่ไม่รู้ตัวนะไม่ใช่ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปนะมันยังไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่รู้ตัวว่าโกรธด้วยซ้ำํำนะ คนที่เวลาเครียดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเครียดนะมารู้ตัวอีกทีหรือมาเริ่มผิดสังเกต ต, ตอนที่มันเริ่มแน่นหน้าอกนะปวดหัวนะเดี๋ยวน้กปฏิบัติหลายคนเนี่ยเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือว่าปฏิบัติด้วยความเครียด น, ะนานนี่คือขอหมวก็ไม่รู้ตัวนะ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 ไอ้ตอนที่เครียดนะไม่รู้ตัวนะบางทีมีคนทักนะว่าเนี่ยหน้าตาเธอเครียดนะยังเถียงยังแยงนะว่าฉันไม่เครียดนะเพื่อนก็ยืนยันว่าเธอเครียดนะเบอกว่าฉันไม่เครียดฉันไม่เครียดนะนะบางทีเพื่อนก็บริหนี้เธอโกรอแล้วนะเร่งเถียงว่ากูไม่โกรธโมพูดนากูไม่โกรธไม่ได้โกรธแต่มัน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 จิตมันกลังจมดึงอยู่กับอารมณ์นะเศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์ผิดหวังนะเมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขาสมัย น, นั้นก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะก็สื่อสารกันทางจดหมายได้จดหมายจากเพื่อนผู้ชายซึ่งเธอก็นะรักเขาแต่ว่าผู้ชายไม่มีใจให้ก็แค่ค็เป็นเพื่อน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 คือไม่มีสติแต่พอมีสติปุ๊บนี่มันวางเลยนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดความโศความเศร้าความโกรธเนี่ยคนที่โกรธเนี่ยอยากจะทํำร้ายอาจจะกําลังจะทำร้ายเพื่อนก็ทํำร้ายาลูกนะเตรียมจะฟาดอยู่แล้วนะพอมีคนมาพูดเตือนได้สตินะมันหายโกรธเลยนะมือที่กำลังจะฟาดนี้ก็วางเลย ช่ ง, งักเลยหรือถ้าจะเอาเข้าวของหรือย่งปลาเนี่ก็หยุดเลยนี่พอมีความรู้ตัวปุ๊บนี่มันมันวางเลยนะไอ้ความโกรธเนี่ยอารมณ์ที่ก่อกลุ่มใจหรือว่าที่ปล่อยใจเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นไอ้สตินี่มันช่วยทําให้ปล่อยวางนะหรือว่าปล่อยวางอารมณ์ที่มัน บีบคั้นเผาลนจิตใจหรือพวกนั้นคืออารมณ์ที่สร้างความทุกข์ให้แต่คนเรานี่ไม่ได้ยึดติดแต่เฉพาะสิ่งที่ให้ความทุกข์หรือสร้างทุกข์กับเรานะไอ้ที่เห็นเด่นชัด ก, กันนะคือการไปยึดติดกับสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไม่วจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะที่ให้สุขเวทนา น, นี่ชัดเจนอยู่แล้วเนะช่นอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะ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 อนะตามล่าอาหารสามดาวของมิชลินราคาแพงมากนะก็เริ่มมาเปิดพัตคารที่เมืองไทยกินช้อนแรกหรือว่าจานแรกก็อร่อยนะถ้ากินทุกินไปเรื่อยๆกินทุกมือทุกมือเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เริ่มเบื่อนะเริ่มเบือ่อแล้วกินถ้ากินต่อไปเรื่อยๆนะ มันก็เริ่มเอียนแล้วถ้ากินต่อไปนะก็อาจจะอาจเจียนได้นะอันนี้แสดงว่าอะไแสดงว่ามันมีความไม่อร่อยแฝงอยู่นะความไม่อร่อยเนี่ยมันก็แทรกอยู่ในความอร่อยแล้วความแม่หลักก็จะแสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเสพบ่อยๆเพลงก็เหมือนกันนะเพลงที่ฟังเพลินเนี่ยหรือฟังสนุกสนานเนี่ยก็ฟังทีแรกก็สนุกสนานไพเราะ แตฟังสิบเที่ยวหรือร้อยเที่ยวเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่ไพเรอะแล้วก็จะเริ่มน่าเบื่อแล้วะยิ่งเสื้อผ้านี่ยิ่งชัดใหญ่นะเสื้อผ้าราคาแพงหลายคนนี่ซื้อมาใส่แค่ครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วหรือบางทีไม่ทันใส่เลยซื้อมาแล้วไม่ได้ทันใส่แขวนไว้ในตู้เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็มันก็เบื่อไปเองนะเสน่หของมันก็จืดจางไป ที่จริงที่มันชัดกว่า น, นั้นนะคือท่านะอิเลียบทของเราอิรลียบทใดที่เราเชื่อมันสบายนะลองอยู่ในอิรลียบทั้นาน ๆ, ๆเนี่ยเช่นนั่งเนี่ยตอนนี้เรานั่งพับเพียบนั่งขัดสมารนะรู้สึกว่ามันเมื่อยเราคิดว่าถ้านั่งยืดขาหรือว่านั่งเก้าอี้จะสบายแต่พอนั่งไปได้สักนะชั่วโมงหนึ่งนะก็จะเ ร, เริ่มรู้สึกเมื่อยล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 พูดสรุปว่คือว่าทุกเนี่ยมันก็มันก็แฝงอยู่ในสุขนะในทุกอันในสุขก็มีแฝงก็มีความทุกข์แฝงอยู่อันนี้เรียกว่าทุกข์ขังก็ก็ได้นะเพราะเนี่ยไม่ว่าเรายึดอะไรนะสิ่งที่เรายึดเนี่ยไม่นานเนี่ยมันก็ไม่ใช่มืนแค่แปรเปลี่ยนนะถึงแม้มันไม่แปรเปลี่ยนนะถึงแม่ถึงแม้มันยังอยู่กับที่นะแต่เราก็จะ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 ไปกู้เงินมาหวังจะช่วยพยุงสถานการณ์เพราะว่ายิ่งแย่หลงก็เลยเป็นหนี้มากเขาก็ยึดเนี่ยยึดบ้านยึดรถเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นข้าัานกานสูงก็อายอับอายทำใจไม่ได้ก็ค่าตัวตายก็มีที่จริงมันไม่ใช่บ้านนะไม่ใช่รถที่สูญนะแต่ว่า หน้าตาเกียรติยศนะก็กําลังจะสูญไปด้วยนะมันเคยให้ความสุขกับเราแต่ตอนนี้เราจะสูญเสียมันไปทําใจไม่ได้ก็เลยทําร้ายตัวเองนะอันนี้เรียกว่าเป็นโทษนะโทษของความยึดติดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาเนี่ยเสียวแต่แรกเนี่ยรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะอของพวกนี้แล้วก็มันไม่ใช่ทุกมันไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงมันเจอไปด้วยทุกนะ การมาสุกนี่ให้ความสุขชั่วคราวแต่ว่าตามม่ได้วความทุกข์ที่ยาวนานมีทุกน้อยแต่สุขมากนะผู้เจ้าเปรียบ ม, มันก็ว่าการมาสุกนะเปรียบเหมือนกับไตนะที่ทำด้วยยาแห้งเวลาจุดนี่มันก็ให้แสงสว่างนะแต่ว่าควันก็เยอะทำให้ระคายเคืองนะ มันไม่ใช่แสงสว่างที่ใสเหมือนกับจอเหมือนกับไฟ LED นะหรือไฟสมัยใหม่นะมันให้ความสว่างก็จริงในใต้นะั่นแต่ว่ามันทำให้ลรคายเครื่องมากแล้วก็ถ้าไม่วางไม่รีบวางนะในสุงก็จะไหมมือนะอันนี้เปลี่ยนเมื่อการมาสุขที่ว่ามันให้สุขอาจจะสัก 30% สเอร์ซ็นแต่เจ็ดสิเอร์เนี่คือทุกนะ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 เ ร, เรากลายเป็นของมันทันทีไปยึดว่าเงินเป็นของเราเรากลายเป็นของเงินไปยึดว่าเพชรพลอยเป็นของเราเราก็เป็นของมันไปยึดว่าบ้านเป็นของเราเราก็เป็นของมันพอจะเสียบ้านจะถูกยึดนะโอยตายดีกว่าฉันยอมตายดีกว่าจะเสียบ้านมันก็น่าแปลกนะคนเราเนี่ยยอมทิ้งชีวิตแต่ไม่ยอมทิ้งบ้านไม่ยอมทิ้งรถ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 และนิมิตประการนี้คื อ, อพระองค์เนี่ยเดินไปเจอภูเขานะแต่ไม่ใช่ภูเขาธรรมดาเป็นภูเขาที่เป็นภูเขาอุจระอุจระนี่มันกองเป็นภูเขาเลยแต่พระองค์ก็เดินย่าแต่ว่าไม่แปลกเปื้อนเดินยังไงเดินยังไงก็ไม่แปลกเปื้อนอันนี้เป็นนิมิตว่าพระองค์จะตัดสรู้ ภูเขาอุจลาเนั่นคืออะไรทราบไหมก็คือทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอาสิ่งของอพวกการมาสุขกนะการมาสุกมก็นีไม่พ้นเรื่องสิ่งของการมาสุขที่คนสแสวงหาแต่ว่าพูดเพระความจริงว่ามันนะไม่ต่างจากอุจระคือว่ามันมีแต่โทษนะแต่ว่า มันไม่แตกเพื้อนพระองค์แล้วหมายว่าพระองค์เนี่ยใจนี่ไม่ยึดติดเกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นอันนี้เป็นนิมิตว่าพระองค์เนี่ยจะเอาชนะกามาสุขได้นะกิเลสนะจะไม่สามารถจะฉาบเพื้อนพร ะ, พระองค์เหมือนกับดอกบัวที่น้ําเนี่ยไม่สามารถจะฉาบให้ให้เปียกได้นะอันนี้พระองค์จะตัดสริรูเป็นนิมิตหมายพระองค์จะตัดสรูเห็นความจริงว่าการมาสุขนั้นมันมันไม่งามมันเต็มไปด้วยโทษนะ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 แต่ปล่อยวางที่ลึกซึ้งนะแล้วก็ปล่อยวางอย่างยั่งยินถาวรก็คือเกิดปัญญาขึ้นมานะอันนี้ก็คื อ, อสิ่งที่เรานะควรจะภาคเพียรปฏิบัตินะอย่างนราก็ต้องทำให้เกิดสติก่อนนะแล้วสติเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาจกนกระทั่งปล่อยวางได้อย่างแท้จริง